นะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองเอง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 ชื่ออาปณะแคว้นอังคุตราปะในเวลาเช้าชงครองสบงหรือบาทและจีวรเสดไปบิณฑาบาดยังอาปณะนิคมหลังจากกลับจากบินตาบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อหลีกเล่นในเวลากลางวันได้ประทับนั่งณนะที่โคนไม้แห่งหนึ่ง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 ในเวลากลางวันจึงบอกภรรยาอย่างนี้ว่าเอาเถอะเธอจงเก็บสิ่งนี้ไว้เราทั้งหมดจะประิโภคพร้อมกันในเวลายเย็นอะไรอะไรทั้งหมดที่จะปรุงกินย่อมมีรสอร่อยในเวลากลางคืนเวลากลางวันมีรสไม่อร่อยอย่างนี้พระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอาย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 ของพิสูจผู้ใครในสิกานนั้นเป็นเรื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงเน้นแฟนไม่เปื่ยง่ายเป็นเหมือนพันไม้ใหญ่อุฏายีส่วนกุลบุตรบางพวกในธรรมะวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ว่าจงละโทษในสิ่งนี้เสียเถิดดังนี้เขาก็มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าทําไมเราจะต้องให้พระผู้มีพระภาค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 เป็นเรื่องผูกที่ไม่มีกาลังเป็นของบอ บ, บางเปื่อยไม่มีแกนสารพระชจาข้าอุทายีกุลบุตรบางพวกในธรรมวิ น, นัยนี้ก็เชนนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวอยู่อย่างนี้ว่าจงละโทษนี้เสียเถิดเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าทาไมเราจะต้องให้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสโทษเพียงเล็กน้อยนี้ ที่ควรละควรสละคืนด้วยเล่าดังนี้เขาจึงลาโทษนั้นเสียแล้วเข้าไปตั้งความยำเกรงไว้ในเราด้วยหนึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่าใดผู้ใกล้ในสิขาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นละโทษนั้นแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยมีขนตกสนิทเยียวยาชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้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 รองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างหนงนี้แต่เขาไม่อาสระเรือนหลังเล็กซึ่งมีเครื่องมุงบังและเครื่องประกอบอปนเดผู้พังหลุดด้วยต้องคอยไล่นกไล่กาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจจะแค่อันหนึ่งที่ผู้พังไม่เป็นแค่ไม่อาจละข้าเปลือกและเมล็ดพืช สำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธีไม่อาจจรละภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนได้กุฏายีผู้ใดกล่าวอยู่อย่างนี้ว่าเรื่องผูกที่ผูกบุรุษนั้นผู้ไม่อาจจรละเรือนหลังเล็กๆมี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 มีสมบัติมากสะสมทองไว้หลายร้อยแห่งสะสมเข้าเปลือกนาที่ดินภริยาทาด ท, ทั้งชายและหญิงไว้เป็นอันมากเขาเห็นภิกษุผู้หนึ่งอยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะสอาดฉันโพชนะล้วนน่าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มเย็นสบายเจริญธรรมะ ฝึกสมาธิอยู่เขามีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะน่าสุขสบายหนอความเป็นสมณะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอเราจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนบ้างหนังนี้เขาอาจจะละทองหลายร้อยแห่งละข้าวเปลือกนาที่ดินภรยา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 ด้วยของที่ปู่นให้มีใจเป็นดุดมฤคตอยู่อุธายีโทษเพียงเล็กน้อยของพิสูจน์เหล่านั้นเป็นเรื่องผูกไม่มีกำลังเบาบางเป็นของเปื่อยง่ายไม่มีแขนฉันอุธายีบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติ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 บรรเทาทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความดำรินั้นได้โดยฉปันถึงบุคคล น, นี้เราก็กล่าวว่าผู้อันกิเลสประกอบไปมิใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นพระเหตุหลายเล่าเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคล น, นี้เรารู้แล้วอุทายีก็บุคคลบางคนในโลกนี้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 จึงเข้าถึงตุติยฌานและเพราะความที่ปีติจางหายไปเป็นผู้อยู่เบกขาจึงบรรลุฌานที่สและเพราะความที่ละสุขและละทุกข์ได้จึงบรรลุฌานที่สนี้เรียกว่าความสุขที่อาศัยในขัมมะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับ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 ยังมีอะไรหวั่นไหวคือการที่วิโตวิจารณ์ในปฐมฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้นและเพราะความที่วิโตวิจารณ์สงบระงับไปภิกสุทนั้นจึงบรรลุฌานที่สองแม้ฌานที่สองนี้เราก็กล่าวว่ายัางหวั่นไหวก็ในฌานที่สองนั้นยังมีอะไรหวั่นไหว คือการที่ปีติและสุขในตูติยะฌานนั้นยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในตุติยะฌานนั้นและเพราะความที่ปีติจางหายไปเธอนั้นจึงเป็นผู้อยู่เบกขามีสติบรรลุฌานที่สมอยู่แม้ในฌานที่สามนี้เราก็กล่าวว่ายังหวั่นไหวก็ในฌานที่สามนั้นยังมีอะไรหวั่นไหว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 ถึงการไม่อะไรในชานที่หนึ่งเพื่อเจริญชานที่สองการไม่อะไรในชานที่สองเพื่อเจริญชานที่สามเป็นต้นจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะและสัญญาเวทายตานิโรธท่านพระอุตายีเมื่อฟังพุทธธรรมนี้แล้วมีความชื่นชมยินดีในภาษีของพระผู้มีพระภาคเจ้าและละกุกิโกปะมาสูตร ฟังทกัมพุทธะ